ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังเทา่านห้นจะร่วมประพธิยานได้แวะมาพูดเรื่องการได้นรู้การศึกษาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นครั้งที่ที่แปดก็คิดว่าจะจบไปที่วันที่สิบซึ่งเป็นวันที่คณะร่วมใจพัก พิทักษ์พระพุทธศาสนาก็าดำเนินการยื่นเอกสารต่อรัฐบาลเพื่อขอร้องให้อย่าปฏิรูปการศึกษาในลักษณะอย่างนั้นดะให้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้ลงมติเอาไว้หาข้อได้กัน ในการต่อมาเราก็มาศึกษาดูถึงหลักสูตรที่เขาจะเรียนแต่ว่าคงให้รายละเอียดไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อหรือตลอดพูดไปก็ถือว่าติเรือทั้งโกรนแต่เรามองโดยความยุติธรรมนะฮะเกจากหัวข้อเหล่านี้ถ้าเราเขียนเป็นเรียบเรียงเป็นแต่จะได้เนื้อหาสาระ ที่ให้ความรู้แก่โยชนในาศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือแต่ก็หมายความว่าต้องแยกกันเรียนการเรียนแนวศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยเรียนในตอนต้นๆไม่ได้หรอกมันต้องเรียนในระดับที่เป็นปริญญาตรีขึ้นไปแล้วก็แถวปีสามปีสีคือวัตีิภาวะของผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีสูงพอ เราต้างมาอย่างนั้นแล้วเด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยเธอยังเยาว์ยังเขายังอ่อนด้อยในด้านประสบการณ์ต่างๆการสอนเด็กมันก็ขู่ให้กลัวก็ยั่วยาอย่ล่อด้วยผลประโยชน์ต่างๆซึ่งวิธีการในพุทศาสนาเราไม่ได้ใช้แต่ว่าศาสนาประเภทเทวานิยมในส่วนใหญ่จะใช้ในแนวนี้และจะทำให้เด็กของเราในถูกขู่ แล้วก็ลอ่อโดยผลประโยชน์ต่างๆอย่างการซื้อขายจิตปัญญาของเยาวชนภายในชาติซึ่งถ้าปล่อยให้ทําไปโดยระบบการศึกษาเนี่ยเราจะลืมนะฮะว่าการศึกษานี่เป็นหัวใจการศึกษาเป็นเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาไปถูกทางหรือผิดทางเนี่ยมันอยู่ที่ระบบการศึกษาเรียนรู้ แล้วก็เนื้อหาวิชาที่เราเข้าไปใช้กับเยาวชนกัมบุทิ่ภาวะของเยาวชนดังนั้นก็ต้องดูว่าชนไหนเป็นอย่างไงเวลานี้ที่ทราบว่ามีปัญหาเนี่ยก็มีเอกสารอยู่นะฮะจริจริงคือจะมีการรุกจากบางศาสนาโดยเฉพาะโรงเรียนในกทมเนี่ยมันมีสี่ร้อยกว่าโรงเรียนเนี่ย ร, ร, รยนนยุกเข้าไปั้ง8ปดสิบกระทรงโดยคนก็เขามีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะ แต่เราเรียกร้องสิทธิที่จะสอนคือสอนเฉพาะศาสนิกของเขาไม่แปลกนะแต่อยา่าไปสอนเด็กในาศาสนาอีกเพราะว่ามันจะมีปัญหาในด้านการศึกษาเรียนรู้ในด้านการทำความเข้าใจแม้ในคำคำเดียวกันวันก่อนมีนายทหารที่เขาทำงานบนชน บางศึกษาระดับเป็นยาโถเข้ามาสอบถามถึงการที่จะแก้ไขปัญหาจาเสพติดเดี๋ยวก็ถามถึงก็ เ, เรียกว่าสาระสาระนิพนธ์อะไรเนี่ยนะยกเกี่ยวกับงานที่เขาจะทำในรูปใคล้ายกับวิทยานิพนธ์แต่ก็ไม่ถึงเราเป็นวิทยานิพนธ์แดีวก็บอกเขาว่า ที่จริงเราจะจับตรงไหนก็ได้คุณจับมงคลสูรเอาเจ้าสิข้อแรกเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้แล้วหรือจับสี่ห้าเนี่ยเอาเจาสองข้อเนี่ยข้อสามกับข้อห้าเอาสามีห้าก็ได้นะฮะ3ามสีห้าก็ได้แต่รบแปลตั้งห้าข้อก็ดีเรีอเคาลวะสรธรรมสี่หรือเอาอธิษฐานธรรมสี่ก็ได้หรือคิดแบบง่ายๆสระน้ำลูกยกกรภไพเนี่ย แล้วขยายไปตามโครงสร้างของสระน้ำลูกหยกวัยมันกาสามารถเขียนหนังสือได้เป็นเริ่มๆดังนั้นเนะ่ยแต่เราหัวข้อเนี่ยนะนั้น ว, วิชาเหล่านี้เราจะเห็นว่าที่มันค่อนข้างแปลกก็คือมีคำที่มาจากรัฐธรรมนูญมาตราที่สามสิบแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือาศาสนาปัญญาเป็นคำใหม่นะ ในประวัติศาสนาเราไม่เรียกศาสนาบัญญตัติเราเรียกพุทธบัญญตัติแต่มีบางศาสนาที่เขาเรียกอย่างนั้นทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อต้องการผลประโยชน์อะไรกันสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าบทบัญญัติของศาสนาทีนี้มันก็คลุมหมดทุนศาสนาะ แล้วก็จะปัญหาเกิดความขัดแย้งกันได้ในบางประเด็นทรื่องสูงนี้เราก็มีข้อเสนอไปเช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้ควบคุมรักษาเนื้อหาสาระเนี่ยเนื้อหาสาระของการศึกษาในศาสนาว่าคือเขาจะให้ท้องชินเนี่ยทำหลักสูตรด้วยนะ เป็การศึกษาในท้องถิ่นเหล่านั้นแต่เราก็คนเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตามต้องมีศีลธรรมต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมอยู่ภายในใจแล้วก็มีการเสนอว่าให้หลักธรรมในพุทธศาสนานั้นเป็นวิชาหลักสูตรแกนกลางสำนุนของเขานะฮะการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เรียกว่า ไอ้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นวิชาบังคับสำหรับเด็กที่เป็นพุทธศาสนิกชนโดยมีค่าหน่วยกิจหน่วยการเรียนและเวลาเรียนไม่น้อยกว่าหลักสูตรในปัจจุบันว่าเราอ่านดูเนี่ยมันมันไม่น่าเชื่อนะดังนั้นผมก็ทั้งหมดเอกสารเนี่ยมันหนานะครับที่เขาซีร็อกมาให้อัตมาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ตั้งแต่ หน้าที่ร้อยกว่านะหน้าที่ร้อยห้าสิบหกจนมาถึงหน้าที่ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเอ็ดยังไม่จบนะฮะก็แสดงว่าเนื้อหารุกชาเนี่มาศาลมากแต่เชื่อไหมว่าเกี่ยวกับศาสนาทั้งตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหกเนะี่ยปหนึ่งสองสามปสี่ห้าหก มอหนึ่งสองสามมอสีห้าหกมีเนื้อมีมีหัวข้อนะไม่จะมีเนื้อเราเป็นเป็นเป็นหัวข้อที่บอกไปอยู่แค่สองหน้ากระดาษเท่านั้นเอง<น>เพราะนั่นจึงไม่แน่ใจว่ามันขยายเนื้อหาออกไปอย่างไงแต่ถ้าเราที่คนรอบรู้เรื่องาศาสนาแต่ละาศาสนาจะในคิด เ, ข, เดดขียนเรื่องพิธพูดเขียนเรื่องพุทธอิสลามเขียนเรื่องอิสลามตามกอ่อหัวข้อเนี้ยมันจะได้เป็นหนังสือเล่ม เล่มที่กระทัดรัดแล้วก็เหมาะสมกับวัยของเด็กสามารถเขียนได้แต่ถ้าเราเขียนไม่เป็นเราไม่มีความรอบรู้จริงคือใหญ่าลืนะอาตมาเองเคยเป็นผู้เขียนแล้วก็เป็นผู้ตรวจแล้วก็ผู้อนุมัติในวิชาหลักสูตรพระพุทธศาสนาเป็นกรรมการใหญ่กรรมการกลางกรรมการเล็กนะฮะเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นเนีลยคือเรามีความรู้สึกนะว่ามันเป็นการจัดการศึกษาแบบธุรกิจ คจะเหียวผลประโยชน์กันประสานผลประโยชน์กันแล้วก็กลุ่มกันเนี่ยคนซึ่งเราดูพื้นฐานทางศาสนาแล้วเนี่ยไม่ก็น่าจะเก่งอะไรแต่ขอเขียนเพราะการเขียนเนี่ยมันได้ประโยชน์นะคือเขียนไปแล้วเมื่อเขาพิมพ์เนี่ยมันจะได้เปอร์เซ็นตทุกครั้งที่พิมพ์จะได้เปอร์เซ็นยะได้ค่าเขียนแล้วในฐานะเป็นผู้เขียนก็จะได้เป็นอาจารย์บัรจุสอนมิชาเหล่านั้นมันมีผลประโยชน์ติดตามมาอีกเยอะเลย ทีนี้มันตรวจไม่ได้อะไปตรวจอะไรก็กมาอ่อนวอาจารย์นี่หนูอยู่โรงพิมพ์แล้วเนี่ยก็จะพิมพ์แล้วต้องอนุมัตินะไม่อนุมัติเดี๋ยวแย่เลยนะมันงานมันจะขาดแล้วก็เจะถวงเอาไว้โอ้ยมันอาณาจักรนี้แล้วหดหูเหมือนกันนะเข้าไปเล่นเนี่ยเพราะงั้นมาตรฐานเนี่ยสําคัญอย่างยิ่งก็คือมาตรฐานว่าต้องให้ผู้ชํานาญการจริงๆแล้วก็คนเขียนไม่ควรจะมีผลประโยชน์ โดยเฉพาะด้านศาสนาเนี่สมมติว่าให้ตมาเขียนนะฮเขียนโดยไม่ต้องระดับผลประโยชน์อะไรตลอดการเลยแล้วก็รักษาเนื้อหาของพระพุทธศาสนาไว้ต้องตัดผลประโยชน์ออกจากตรงนี้ให้ได้ถ้าจัดตัดไม่ได้แล้วการนําเสนอสินธรรมจะไม่สะอาดสินธรรมศาสนานี่จะไม่สะอาดและจะมองไปในทางที่สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง ในเมื่อเราจะเอานักเรียนเป็นแกนนาะเป็นแกนกลางนักเรียนเป็นเป้าหมายนักเรียนเป็นไรที่พูดพูดกันเนี่ยอาจจมาเคยไปอบรมครูต่างจังหวัดเนี่ยบอกไหนลองแสดงสาธิตไห้ดูสิสอนนักเรียนเป็นแกนกลางเนี่ยสอนอยังไงให้หนักเรียนคิดเองทำเองเนี่ยทำยังไงก็ไม่มีใครกล้าอาสาเสร็จแล้วเราก็อธิบายชี้แจงเนี่ยครูบาอาจารย์ก็หากันเป็นเลย มันเป็นกระบวนการที่อย่างที่บอกไว้ในวักรนะวันก่อโน้นที่พูดถึงว่าเรอมายังนึกว่ามันแนวแกระแสของเขาเรียกว่ารับผู้ฟังกูนึกออกสมัยยอดบูธเนะี่มันมีเขาเรียกว่ามีวัน o ด d การจัดระเบียบโลกใหม่จัดทั้งพื้นที่นะฮะ จัดํ า, าพื้นที่จัดตามวัฒนธรรมจัดทางด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจอะไรต่อไรเนี่ยแต่ที่นี้มันก็ทําให้สําเร็จตามเป้าหมายเพราะว่าสมัยที่สองในยอดบุกแพ้การเลือกตั้งแล้วก็บินกิมตันเข้ามาเป็นอยู่แปดปีตอนนี้ก็ลูกชายก็มาเป็นลูกชายดูความคิดจะไม่ค่อยตรงกับพ่อเท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าอันนี้มันเป็นนโยบาย ที่เราเห็นที่ค่อนข้างชัดเนี่ยในฐานะทางศาสนาคือเรามองทางด้านศาสนาด้านพูดง่ายว่าด้านคติการศึกษาเนี่ยกระแสของความคิดเนี่ยมันมากับเงินนะเงินไอเมเนี่ยมันคู่มากับเงินนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเอาเงินไปคุณก็ต้องทําอย่างเนี้ยทำอย่างนีอย่างนี้อย่างนี้นทีนี้มันไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไปยุ่งเกี่ยวกับสังคมด้วย ก็งเงินมันไหลไปตามกระแสต่างๆนี่ไหลไปตามกระแสสังคมด้วยที่นี้พอดีเนี่ยสภาการศญษ า, านี่ก็พิมพ์หนังสือออกมาที่เจอเนี่ยนะสามเล่มก็เป็นการกล่าวอ้างรัฐประนุนอเมริกาอีกสองเล่มเป็นคู่มือครูกับผู่มือผู้ปกครองแล้วก็จากรัฐพิเบกที่แคนาดานอีกหนเล่มเอามาอ่านดูมันก็ถือว่าแปลกนะมันทำลายศาสนาเลยนะ คือหมายความว่าเราเนี่ยสามารถถ้าถ้าเราจะสวดมนต์เนี่ยสวดที่ไหนก็ได้ครูจะสวดก็สวดได้แต่สวดคนเดียวนะฮะไปชวนคนอื่นไม่ได้แล้วก็สอนนักเรียนเนี่ยสอนในแง่ประวัติศาสตร์สอนในแง่สังคมสอนในแง่อะไรได้แต่สอนให้คนเคารพมัธยูาศาสนาไม่ได้ให้มีาศาสนานม่ได้แลเห็นชัดเจนนะว่าเป็นความคิดสหรัฐอเมริกาไม่ใช่คนสรัฐอเมริกาไม่มีาศาสนานะ่แต่ว่าต่างคนต่างาศาสนากัน วันในอเมริกาเนี่ยเราตลกที่สุดอ่ะแม้แต่วัดเราที่ไปเนี่ยบางที่โดนย้ายกันกว่าจะลงตัวเนี่ยย้ายแล้วย้ายอีกย้ายแล้วย้ายอีกยยยยอกะไรชาวบ้านก็ต่อต้านก็ขัดขวางชาวไทยพูดเวลาไปไหนมาไหนนี่ก็เต็มไปหมดเลยแล้วกิจกรรมต่างๆนะถือถึง ด, น, ดนตรีไทยอะไรอะไรก็เต็มนะทําให้ถูกต่อต้านจากเพื่อนบ้านในแถวนั้นกว่าจะประนีประนอมประสานประโยชน์ก็ลงตัวเนี่ยมันจะเรื่องง่าย ที่นี่เป็นความคิดในแนวของการต่อสู้เอาชนะข้าศาึกันแล้วก็เพื่อสร้างจั ก, กรวรรดิความยิ่งใหญ่ของตัวเองจนมีรุง่งมีความรู้สึกหลอกชาโลกนะฮะและชาโลกก็ยอมก็ด้วยนะว่าก็เป็น้าวโลกเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทีนี้เมื่อเราเรียนโดยเราไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาที่เป็นงานหน้าที่ของจิตทั้งสี่ระดับ คือคิดเลยเนี่ยมันนึกไม่ออกเก็นเดียวเนี่ยว่าคิดเลยเนีย่คิดยังไงพยายามติดตามการศึกษาของผู้หลังที่เขาถ่ายตอนมาว่าเออก็ก็ให้ข้อมูลก่อนนี่นะให้ข้อมูลอนธะิบายไปก่อนแล้วไปลูกคิดเห็นไหมมันก็คือกระบวนการศึกษาแบบที่พระพุทธศาสนาสอนนั่นแหละอพระพุทธเจ้าก็สอนต่อในเพ่งพิจนารณาดูจี คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะไม่มีใครสามารถผ่านพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้หรอกเจอคนตายเจอสัตว์ตายเจอใบไม้ตายเจอต้นไม้ตายอะไรต่ออะไรก็นอนนึกขามาตัวเองแต่มันต้องมีข้อมูลในการคิดอ่ะแต่เราไม่มีข้อมูลในการคิดแต่คิดยังไงเพราะ ที่จริงการศึกษาถ้าเราพูดแน่ๆจริงๆนะนก็คือพัฒนาขันห้าของคนนยพัฒนากายภาพในด้านทางกายเนี่ยคือรูปขันเนี่ยคือทำอยังไงจะใช้รูปขันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ได้มามมีศักยภาพสูงมีความสามารถมีผีมือในด้านต่างๆมีพลังในการทำงานเนี่ยแล้วฝึกเวทนาพัฒนาเวทนา การมีธาติฉีต่ออารมณ์ที่เรากระทบที่เป็นเหตุที่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่ทุกข์ไม่สุขอะไรแต่ไหนเนี่ยแล้วพัฒนาตัวความจําพราะตัวความจํำจะนําไปสู่ตัวความรู้ตัวความมาตัวความคิดตัวความรู้และพัฒนาความรู้กันไปได้เรื่อยเนี่ยหน่วยความจําในเป็นแหล่งข้อมูลนะฮะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถ้าเราไม่มีหน่วยความจําในนึกดูคิดยังไงแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะมีเกณฑ์อะไรเป็นตัวกําหนด นี่คือสิ่งที่ทําให้ห่วงว่าเวลานี้ต้องฟังสังเกตนะฮะอดิชันนาเรียอะไรอะไทั้งหมดแล้วเนี่ยฝรั่งเขาข้ามาหมดแล้วเรามีเงินห ร, รือเปล่าล่ะมีเงินไปซื้อไม่จิ้มเอาคุณต้องการรู้อะไรจิ้มนั่งจิ้มได้ทั้งวันเลยวันก่อนเนี่ยไปทำพาสปอร์ต ท, ที่กระทรวงต่างประเทศที่อะไรอะ่ะที่ซนสั้นที่ขั้งปอบปินก้าวอะ หลงนะคือตึกก็หลงป่าคอนกรีตพระนำไปหลงก็ไปเข้าในร้านดี่ก็มีอาหารโอ้โหมึนหัวมึดเลยหน้ามึดเลยนว่าถ้าเดินไปอีกพักเดียวก็เป็นลมแล้วมีเกมโชว์มีตัวอะไรแต่อะไรไม่รู้ฮะนึกว่าโอ้โหลูกหลานเราถ้าไปนี่จะเป็นยังไงกันเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าถ้าเราจะการศึกษาไม่ดีเนี่ย แล้วจะเป็นอนานิคมทางจิตวิญญาณของต่างชาติมันล่าระดับจิตวิญญาณนะอย่นี้อนณานิคมเนี่ยไม่ไม่มล่าธรรมดานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจริยธรรมสากลที่มันล่ามาจากพลังแล้วถ้าเราอ่านดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ในบางตอนเพ็นจะเจนว่าไม่ที่ไม่มีที่มาของตัวคำสอน ก็ใครเป็นคนสอนละไรคสอนเนี่ยคืออย่าลืมเรื่องศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ทุกศาสนาเนะ่ยคือตัวที่มาของคําสอนเนี่ยต้องเป็นเรื่องใหญ่คําสอนบางคําสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารจากพระผู้เป็นเจ้ามาได้เป็นพระวรสารอย่างศาสนาคริสต์เนี่ยถือเป็นพระวรสารมาั่งทรงมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยตรงเลยแล้วก็ส่งมาเป็นตอนเป็นตอเป็นตอนตอนก็รวบรวมไว้เป็นคัมภีร์ ทีนี้ถ้าเราไม่ยอมรับตรงนั้นไม่รับถือตรงนั้นมันเดินได้ไงนะผลท้ายมันก็ซูนรวมของความคิดมนุษย์เนี่ยมันจะไม่มีเอกภาพทางศาสนานี่ไม่มีอย่าลืมว่าเอกภาพทางศาสนาจะมีความสำคัญมากนะเพราะเราสามารถที่จะเอาคนในชาติต่างๆมาเป็นหนึ่งเดียวโดยศาสนาเดียวกันได้แต่หลักอื่นนี่เราเอามาไม่ได้ แห็ไม่สมมติว่าจะเอาเอาผู้ปกครองแบบจะเป็นประธานาธิบดีหรือกษัตริย์ก็ตามก็กษัตริย์ของใครกองคนนั้นประธานาธิบดีของใครก็ของคนนั้นเจี๋ชาติเผ่าพันธุ์มันก็เผ่าพันธุ์ใครก็เผ่าพันธคนนั้นแต่ว่าศาสนาเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วทุกส่วนของโลกคนสูนรวมทางศาสนาเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมใหญ่ที่นักการศึกษานี่ก็ให้ความสําคัญน้อยไปแล้วประเด็นที่เขาไม่มองเนี่ยคือว่า ศาสนาคือชีวิตทั้งชีวิตนะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคนต้องผูกพันกับศาสนาแต่ว่าการศึกษาในชั้นเรียนเนี่ยมันก็อยู่แค่สามขวบถึงอย่างมากนเนี่ยยี่ติห้าขวบดีภาปีเรียนเอ้ไม่มอยู่สบกว่าอยี่ิบกว่าปีแต่นั่นเองประมาณยี่สิบสองปีนะมันก็อยู่ก็ประมาณนั้นนะนอกนั้นก็เป็นการศึกษาที่เขาศึกษานอกชั้นเรียน ไปตามตามหลักการจริงๆเนี่ยคนได้จะนอกชั้นเรียนมากกว่าในชั้นเรียนแต่คนเราเนี้ไปให้ความสาคัญกับการศึกษาเราถือว่าการศึกษาจะเป็นตัวนํานมันไม่ได้หรอกมันต้องไปกันมันตากับขาเนี่ต้องไปด้วยกันลองดูแต่ตาเท่าจะเดินตาตาหลับตาได้เลยเนีย่ลองดูเถอะมันก็ตกท่อตายทั้งตาทั้งขานั่นแหละทั้งตาทั้งตัวนั่นแหละทั้งตาทั้งตีนนั่นแหละ มันต้องไปด้วยกันเพราะการศึกษาเนี่ย ม, มันมีลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเท้าที่มันเดินไปแต่ว่าคุณธรรมทางศาสนาเนี่ยเหมือนกับตาที่จะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบว่าเดินยังไงควรเดินยังเงินไม่ควรอะไรควนเลี้ยวอะไรควรหลบรอะไ ร, ะไ ร, รเนี่ยมันจะต้องมีอยู่แล้วก็การศึกษายิ่งสูงเท่าไหร่ถ้าตัวคุณธรรมไม่สูงตา มันจะเหมือนกับต้นไม้นะฮะที่โตโดยไม่มีแกนและผลสุดท้ายก็ถูกค้นนะอยู่ไม่ได้หรอกต้นไม้ที่ไม่มีแก่นเนะี่ยอยู่นานไม่ได้มันจะถูกคน้คนค้นโดยธรรมชาติหรือคน้นโดยตัวมันเองเลยเนืนหลักที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงไว้ว่าคาติโยเซโชตชเนตาสมิงเยโกตปาติซาดิโนวิชาจนะสัมบันโนโซเซโตเดวามานาเซ ในมูชนได้อย่างลังเกียจกันเรื่องชาติเรื่องโคตรเรื่องแท้เรื่องเผ่าพันธุ์อะไรต่างๆกษัตริย์จะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้แต่วิชาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องทําลายอาวิชชานะทีนี้กิเลสเนี่ยมาจากอาวิชชาเพรา ะ, ะเมื่ออวิชามันลดเนี่ยโลภะโทสะราคะมันลดถามวการภาษาข้างนอกเนี่ยเขาเคยมองประเด็นนี้หรือเปล่า วันที่คุณจะการศึกษาเนี่ยมันเพิ่มกิเลสจะการในษากันจนถือมานะมีตัณหามีทิฏฐิมีความรุนแรงออกมาในด้านต่างๆต่อสู้ห้ำหั่นกันอย่างการเมืองแทนที่จะสร้างสร้งสรรการเมืองเป็นฝักเป็นฝา่ายคนดีคนดีนดสอสอซึ่งมีเงินเบ็ดเสร็จรในร่วมแสนเนี่ยเรียกพิเศษขออีกเดือนละแสนอะไรนะ เรียนรู้กันมาขนาดนี้ได้สถานะตำแหน่งจากสังคมขนาดนี้แล้วยังต้องการอะไรอีกแน่หนาล่าะเขาเอาปั้นมาจากดินให้เป็นดาวนะแล้สิทธทิผลประโยชน์ต่างๆอีกเยอะเลยนะสอสเนี่ยเครื่งเครื่องบินฟรียานพาหน้าต่างๆในีฟรีแต่ว่าไม่ฟรีจริงก็นนะก็ไปเบิกจาการัฐบาลรัฐต้องบริการคนเหล่านี้มากมายไกลกองมันแสดงว่าผลจากการศึกษานในถือขี้โลคเปลเห็นเกตตัว มัน อ, อยู่ในจุดที่จะรับชาติชาติบ้านเมืองเธอแต่ว่าเธอตั้งพยายามตั้งปัญหาว่าชาติบ้านเมืองจะให้อะไรแก่เราต่อไปต่อไปต่อไปไม่ได้พยายามตั้งคําถามว่าเราจะให้อะไรแก่ชาติบ้านเมืองโอกาสต่อไปต่อไปต่อไปนี่คือมาจากอะไรบักการศึกษาที่มันขาดฐานทางคนนะุณธรรมวิชามันมีแต่เป็นวิชาที่เป็นอะไรล่ะเป็นความรู้ผิด เขเรียกว่าเป็นมิจฉาญาณคือความรู้ในทางที่ผิดก็ไม่เรียกเลยญาณนะฮะเขาเรียกวิชาจเจริหรือวิทยาจเจริญทาให้ความประพฤติมีปัญหาเพราะกิเลสมันไม่ลดราคาจัดขึ้นโทสะจัดขึ้นโมหะจัดขึ้นนะกิจกรรมที่กระตุ้นแรงราคะโลภโทสะโมหะที่รู้มานะแต่พูดไม่ได้ในฐานะเป็นครานี่พูดไม่ได้ มันกลายเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองน่ากลัวจนบางครั้งก็ต้องปรงนะฮะคือปรงให้ได้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาแต่ไงเราก็ไม่มีฐานะไม่มีหน้าที่ไม่มีตําแหน่งไม่มีอำนาจที่จะไปแก้ไขปัญหาเรามีได้จากนั้นความจุดผิดพลาดที่สืบเนื่องมาจากรัฐมนูลมันต่อมาออกที่บริาร ก, การสาแห่งชาติแล้วมาออกที่พระราชบัญญัติไปรูปการศึกษา แล้วจะมาออกที่การจัดองค์กรทางาศาสนาแล้วก็ออกมาสู่การศึกษาที่ให้ความสำคัญแก่าศาสนาน้อยเหลือเกินนะฮะมีแต่เรานึกดูจีว่าทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะป .1 ถึงป .6 ป .1 ถึงป .612 ป, ป, ปีเนี่ยเนื้อหาวิชามีแค่สองหน้าไม่ใช่หัวข้อนะะมีแค่สองหน้ากระดาษต่นั้นเองทา ง, ทางที่หนังสือเล่มนี้ไม่แน่ใจนะเพราะก็ถ่ายมาให้ เขาถ่ายมาให้ก็ถ่ายมาจากหน้าที่ร้อยกว่าแล้วนะจากหน้าที่ร้อยห้าสิบหกมาจบที่หน้าร้อยแปดสิบเอ็ดเราเปิดดูเฉพาะตรงนี้ยมันก็มีแค่แค่สอหน้ากระดาษเท่านั้นเองแต่เรื่องที่จะต้องศึกษาติดตามกันอีกต่อไปทั้งฟังทงั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ้องามไปบูรณาธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี